วันนี้เป็นวันจันทร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2567เป็นวันพระเป็นวันฟังธรรมวันธรรมัสวสวนะแล้วก็เป็นวันหยุดพิเศษคือเป็นวันหยุดเฉดเฉย เนื่องในวันจากฤรีที่ผ่านมาตรงกับวันเสาร์ทางราชการจึงกำหนดให้มีวันหยุดชดเชยสำหรับท่านที่ปกติต้องไปทำงานในวันนี้วันนี้ก็เลยไม่ต้องไปทำงานมีเวลาที่จะได้มาทำบุญ ถือว่าเป็นวันกําไรบุญสำหรับท่านผู้ไฝ่บุญทั้งหลายท่านที่เชื่อว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อจิตใจของท่านเชื่อว่าจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยบุญ พาไปสู่สุคติพาไปสู่ที่สุขที่เจริญพาไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพ า, านิพานถ้าไม่มีบุญก็จะไม่ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วถ้าไปทำบาปทำกรรมก็จะ ไปสู่อาบายไปสู่ที่ที่ไม่มีใครปรารถนาจะไปกันเพราะอาบายก็เป็นเหมือนคุกตารางดีๆนี่เองที่ที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจันนั้นดังนั้นการทำบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างยิ่งต่อจิตใจผู้ที่จะต้องเดินทางต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้ามีบุญพาไปบุญก็จะพาไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่นิพพานอันเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ที่ จะทำให้จิตใจไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการทำบุญ เพราะถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่สามารถที่จะทำบุญได้บุญก็เป็นเหมือนงานต่างๆการงานต่างๆการที่จะทำการงานอะไรได้ก็จะเป็นจำเป็นที่จะต้องมีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่ได้ทำงานที่ต้องการจะทำ เวลานี้พวกเราทุกคนก็มีด้วยกันเท่ากันคือวันหนึ่งก็มีอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ที่ว่าเราจะเอาเวลานี้ไปใช้กับอะไรไปใช้กับงานอะไรถ้าเราเอาไปใช้กับงานทางโลกงานทางร่างกายงาน ทางการหาความสุขจากโลกกระมคือลาบยสศสรรเสริญและความสุขจากการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆเราก็จะได้ความสุขทางโลกซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่ว่าจะได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรเป็นร้อยล้านพันล้านก็ตา่างไม่ว่าจะได้ยศได้ตําแหน่งมาสูงขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะได้รางวัลการยกย่องสรรเสริญด้วยการรับรางวัลต่างๆ เช่นเหรียญเหรียญเงินเหรียญทองเป็นต้นของเหล่านี้ก็เอาไปไม่ได้ความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ก็เอาไปไม่ได้เป็นความสุขชั่วคราวถ้าไม่ได้เอาทําบุญเลยเวลาไปก็จะไม่มีบุญติดตัวไป เพราะฉะนั้นคนฉลาดจึงควรมองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากันอย่ามองเพียงแต่ระยะสั้นๆต้องมองระยะยาวระหว่างร่างกายกับใจใครจะอยู่นานกว่ากัน ร่างกายมันก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนมากแต่ใจนี่อยู่ไปเป็นไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นไม่มีวันตายนี่จะให้ใจอยู่แบบไหนใจอยู่แบบมีความสุขก็ต้องมีบุญมีกุศลสนับสนุนถ้าขาดบุญขาดกุศลสนับสนุนใจ ใจก็จะอยู่แบบหิวโหยจะอยู่แบบทุกข์ยากลำบากอยู่แบบขอทานนี่แหละคือสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นกันเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเรามองไม่เห็นใจด้วยในการใช้ตาของร่างกายมอง มองไปจนวันตายก็ไม่สามารถมองเห็นใจได้ถ้าใช้ตาของร่างกายมองหาดูใจก็จะมองไม่เห็นอย่างเวลาที่คนตายไปเราก็ไม่สามารถมองเห็นเขาได้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเพราะตาของร่างกายนี้ไม่มีความสามารถ ที่จะมองเห็นใจได้การที่จะมองเห็นใจได้นี้จาเป็นต้องใช้ตาในตาทิพย์หรือตาของใจนี่เองใจก็มีตาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกับตาของร่างกายตาของใจนี้เป็นสิ่งที่จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อ เราต้องปิดตาของร่างกายก่อนปิดตาร่างกายแล้วก็ทำใจให้สงบนิ่งถ้าเราสามารถควบคุมใจให้สงบนิ่งได้ไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆให้เหลือสัก์แต่ว่ารู้เราก็จะเริ่มเห็นตัวใจว่าเป็นอย่างไร เราจะเห็นสิ่งต่างๆที่ใจสามารถมองเห็นได้เช่นนรกสวรรค์กายทิพย์ต่างๆเห็นได้ถึงภพชาติต่างๆเห็นสิ่งต่างๆที่ตาของร่างกายไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าเราฝึกจิตใจให้เข้าสู่ความสงบได้ให้เข้าสู่สมาธิได้เราก็จะเห็นใจเห็นตัวของเราตัวของเราคือใจล้วเราก็จะได้เห็นความสำคัญของใจว่าเป็นสิ่งที่เหนือกว่า ร่างกายในทุกทุกมิตมิไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ก็ดีความสุขความทุกข์ของใจนี้ยิ่งยิ่งใหญ่กว่าความสุขความทุขขกข์ของร่างกายยั่งยืนกว่ายาวนานกว่าของร่างกาย ถ้าเราเห็นใจด้วยการทำใจให้สงบแล้วเราจะให้ความสำคัญแก่ใจมากยิ่งกว่าความสำคัญของร่างกายเพราะเราเห็นแล้วว่าร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราวและมันอาจจะตายได้ทุกเวลานาที ไม่ได้หมายความว่าร่างกายของคนทุกคนจะอยู่ไปถึงร้อยปีกันทุกคนบางคนอยู่ได้ไม่กี่วันเกิดมาไม่กี่วันก็ตายไปก็มีมีคนตาย ท, ทุกระดับอายุตั้งแต่คลอดออกมาแล้วตายไปก็มีอยู่ได้หนึ่งวันแล้วตายไปก็มีอยู่ได้เจ็ดวันก็มีตายแล้วก็ตายไป ตายไปหลังจากอยู่ได้เดือนหนึ่งก็มีมีคนตายทุกระดับอายุดะงนัความตายของร่างกายนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเพียงแต่ว่าจะตายชา้าหรือตายเร็วทั้งนั้นแล้วพอร่างกายตายไปแล้วก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เลยจึงแต่ใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมเมื่อร่างกายตายไปแนละ้วใจก็จะไปต่ อ, อไปด้วยกำลังของกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาที่คอย ถักดันใจให้ไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะความหิวโหยในความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะตลอดเวลาและการที่จะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้ ก็จาเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายก็จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายของมนุษย์ก็ดีหรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็ดีมนุษย์ก็มีตาหูจมูกนิ้งกายสัตว์เดรัจฉานก็มีตาหูจมูกนิ้งกาย การจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็ขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่มีอยู่ในใจว่าอยู่ในระดับไหน mm hmm. ถ้าบาปนี้มีมากกว่าบุญก็อาจจะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานยังเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะอำนาจของบาปนี้ จะดึงให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องอยู่บุญและบาปจะต้องอยู่ในระดับเท่าๆกันบุญก็ไม่สามาร ถ, ด, ด, ด, าาาารถดึงให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบาปไม่สามารถจะดึงให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้หรือให้ไปอยู่ในนรกได้ บุญก็ไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปอยู่บนสวรรค์ได้ช่วงนั้นก็จะมารอรับร่างกายเมื่อมีการผสมพัน์ระหว่างพ่อกับแม่ตั้งคันขึ้นมามีร่างกายปรากฏขึ้นมาในคันใจที่เป็นดวงวิญญาณก็จะส่งกระแสวิญญาณไปเกาะ ที่ร่างกายทันทีไปครอบครองร่างกายนั้นพอมีใจไปครอบครองไปเชื่อมต่อกับร่างกายการปฏิสนธิก็คือการเจริญเติบโตก็ปรากฏขึ้นตามลำดับแล้วก็จะอยู่ในคันของมารดาไปประมาณเก้าเดือนของมนุษย์ ถ้าเป็นของเดรัจฉานก็มีต่างางเวลากัน<ม>ต้านบ้างยาวบ้างแล้วแต่ชนิดของพันธุ์ของสัตว<ม>์แล<ม>้วในที่สุดก็จะได้ค้อออกมามมออก็อออกมาก็จะเจริญเติบโตแล้วใจที่หิวโหวยกับความสุขทางรูปเสียงกลิธธ่นรสโผฏฐัพพะก็ใช้จะใช้ร่างกายอันนี้ไปแสวงหา รูปเสียงกลิ่นรสมาเสพเสพเท่าไหร่ก็จะไม่มีความอิ่มไม่มีความพอเพราะธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณนี้ไม่สามารถให้ความอิ่มแบบถาวรได้ไม่สามารถให้ความสุขแบบถาวรได้ให้ความสุขได้ชั่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสเท่านั้นเองเวลาได้เห็นได้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลิภ ท, ที่ถูกใจ ความสุขใจก็ปรากฏขึ้นมาในใจเรียกว่าสุขเวทนาก็ปรากฏขึ้นมาในใจแล้วพอไม่ได้สัมผัสพอเลิกสัมผัสกับรูปเสียงกลโโิ่นรสพุทธะความสุขที่ได้จากการเิบสัมผัสรูปเสียงกลโโิ่นรสพุทธะนั้นก็จะหายไปหมดไปพอความสุขหมดไปใจก็รู้สึกว้าเหวขึ้นมา รู้สึกขาดอะไรขึ้นมามรู้สึกว่ายังต้องหาความสุขใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆก็จำเป็นที่จะต้องไปคอยหารูปเสียงกลิรสผลถตภัณมาคอยเสพอยู่เรื่อยๆเยสพไปจนกว่าร่างกายนี้จะเกิดมีปัญหาขึ้นมาหรือจนกว่าจะมีอุปสรรคทางด้านเครื่องมือสนับสนุน เช่นเงินทองเป็นต้นเพราะการจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิพัที่เราชอบที่อยากจะเสพนั้นมันไม่ได้เป็นของฟรีก็มีจำเป็นที่จะต้องมีเงินทองไปซื้อันมา <c oughs> ถึงจะได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสที่ปรารถนากันแต่ถ้าเวลาที่ขาดเงินขาดทองขึ้นมา หรือเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามเวลานั้นก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากการเสกรูปเสียงกิรลดโพธิภะได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ให้แต่มีแต่ความทุกขเวทนาปรากฏขึ้นมาในใจอยู่เรื่อยๆนี่เป็นผลที่จะเกิดจากการที่ มามีร่างกายมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลแนะลาบยศสรรเสริญเพราะการที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นลได้ก็ต้องมีลาบยศเป็นเป็นเครื่องมือคนที่มีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งนอกจะมีความสามารถที่จะหารูปเสียงกลิ่นล โปรดาชนิดต่างๆมาเส่ได้อย่างง่ายดายสำหรับคนที่ไม่มีลาบยศเช่นขอทานอย่างนี้ก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นโรถตะพาได้อย่างคนที่มีอำนาจคนที่ร่ำรวยดังนั้นการดิ้นรนเพื่อแสวงหาอำนาจและเงินทองจึงเป็นเรื่องของ ผู้ที่ต้องการจะเสกกามกันเสกรูปเสียงกดลดิ่นรสโผฏฐะชีวิตก็จะขว่ยคว้ า, าหาราบยศสารเสริญหาความสุขอยากรูปเสียงกดลดิ่นรสโผฏฐะไปเป็นไปเป็นปกติวิถีชีวิตก็เลิมตาขึ้นมาเติ่งขึ้นมาก็มุ่งไปที่ราบยศสารเสริญที่ รูปเสียงกิจรสผลตถภา mm hmm. ก็จะมัวแต่ใช้เวลาไปกับการหาลาบยศสะลรเสรินสุขไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันตาย <c oughs> <c oughs> พอตายไปนี้ใจนี้ไม่ได้สะสมบุญไว้เลยไม่มีบุญเพราะมัวแต่สวรหาแต่ลาบยศสารเสรินสุขกัน <c oughs> แล้วบางทีการแสวงหาราภยศสารเสนสุขก็ก จ, จะต้องใช้ด้วยวิธีทุจริตก็คือด้วยการกระทำบาปใจก็เลยสะสมบาปมากกว่าการสะสมบุญบุญนี้ก็บางทีก็อาจจะได้ทำบ้างบางโอกาสบางเวลาเป็นโอกาสที่สำคัญเช่นวันเกิด ก็อาจจะคิดทำบุญบ้างหรือวันสำคัญทางศาสนาก็ทำบุญกันบ้างบางคนนี้ไม่เชื่อบุญเลยก็จะไม่ทำบุญเลยไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเลยคิดว่าตายไปก็สูญบุญหรือบาปมันก็ไม่มีผลต่อผู้ที่ตายไปแล้วไม่รู้จะทำบุญไปให้เสียเงินเสียทอเสียเวลาไปทำไร เอาเวลามาหาราบยศสารเสริญสุขดีกว่าแล้วก็ไม่กลัวกับผลบาปถ้าต้องทำบาปเพื่อที่จะให้ได้มาถึงราบยศสารเสริญสุข <S S S <c oughs> ก็จะกล้าทำบาป <c oughs> อย่างมากก็ติดคุกติดตารางเท่านั้นเองแต่ก็เห็นอิทธิพลของการมีเงินมีอานาจว่าถ้ามีบุญถ้ามีเงินมีอานาจแล้วแม้แต่คุกตารางก็ ก็ไม่ต้องติดก็ได้ดังนั้นคนที่ไม่กลัวบาปไม่กลัวคุกตรางเขาเห็นว่าถ้ามีอำนาจมีเงินมีทองเขาก็สามารถที่จะ <c oughs> ทำอะไรก็ได้ทำบาปอย่างไรก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตรางไ้รับโทษแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็จบคือไม่มีอะไรตามมาต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดลงที่ความตายผลของบุญของบาปก็สิ้นสุดลง mm hmm. เพราะเห็นว่าเมื่อร่างกายตายไป mm hmm. ก็ไม่มีใครจะเอาศพซากศพไปติดคุกติดตาราง mm hmm. ต่อให้ทำผิดกฎหมายหนักขนาดไหนก็ตามแต่พอร่างกายตายไปแล้ว mm hmm. ก็ไม่มีใครจะเอาร่างกายนั้นเอาซากศพนั้นไปติดคุกติดตาราง mm hmm. นี่คือสาหรับคนที่มีมิจฉาทิติมีความเห็นผิดเป็นชอบมีความเห็นว่าตายแล้วศูนย์<ม>คือไม่รู้ว่ามีผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่ต้องรับผลบุญผลบาปนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย<ม>เป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปในโลกทิพย์ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ก็คือใจนี่แหละที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณแล้วพอร่างกายตายไปใจนี้ก็จะถูกดวงวิญญาณนี้ถูกอำนาจของบุญและบาปที่ได้สะสมไว้มาจัดการกับดวงวิญญาณถ้าเป็นคนเชื่อบุญเชื่อบาป พ, พยายามทำแต่บุญไม่ทำบาปหรือทำบาปเท่า เท่าที่จำเป็นหรือเมื่อรู้แก่โทสะโมหะหรือเมื่อขาดสติไม่สามารถควบคุมใจได้ก็อาจจะพังเพลิปล่อยให้ไปทำบาปบ้างแต่โดยส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะรักษาสิงไว้แล้วก็พยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆใจแบบนี้ก็จะมีบุญสะสมมากกว่ามีบาป เวลาตายไปบุญที่มีมากกว่าบาปก็จะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการส่งให้ดวงวิญญาณนี้ไปอยู่ในสถานที่มีแต่ความสุขความสบายในระดับต่างๆก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองบุญนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะพาดวงวิญญาณให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้แต่สําหรับผู้ที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบา ผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิผู้ที่คิดว่าตายแล้วสูญนี่พวกนี้ก็จะ <c oughs> ถูกกำนาของบาปเพราะว่าขณะมีชีวิตอยู่จะไม่จะไม่ทำบุญหรือทำน้อยมาก <c oughs> แล้วก็จะทำบาปมากกว่าเพราะเวลาต้องการลาบยสศสสรสนุขวิธีที่จะได้มาอย่างสะดวกและง่ายดาย และรวดเร็วก็คือวิธีทําบาสนั่นเองก็จะทําบาปมากกว่าทําบุญเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะถูกบาปที่มีมากกว่าบุญนี้ดึงไปบาปก็จะดึงไปสู่อบายสี่สถานด้วยกันสี่ที่ด้วยกันที่ที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขแทบจะไม่มีความสุขเลยก็ว่าได้ ถ้าบาปน้อยก็ไปเกิดเป็นเดลชาญถ้าบาปมากขึ้นก็จะว่าบาปน้อยก็ไม่เชิงถ้าทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไปเป็นเดลชานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆก็จะไปเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยถ้าทำบาปด้วยความกลัว กลัวว่าจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้มาทำร้ายก็ไปทำร้ายเขาก่อนเพื่อป้องกันตัวอย่างนี้ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอสูรลกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปนรก เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความร้อนด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทอันนี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตา ม, อ, มอันนี้ไม่ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ความเป็นจริงก็คือกฎแห่งกรรมนี่เอง กฎแห่งกรรมนี้เป็นความจริงจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ไม่มีผล<ม>ผลอยู่ที่เหตุคือการกระทำ<ม>ทำบาปก็ต้องไปอบาย<ม>ทำบุญก็จะไปสวรรค์<ม>ถ้ายุติความอยากที่มีอยู่ภายในใจได้ชำระใจให้สาอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดซึ่งไปได้ก็จะไปนิพพานไปสู่ที่ที่จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป อ, อันนี้เป็นกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมื่อทําแล้วก็จะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนอแต่เราต้องเข้าใจว่าผู้กระทาและผู้ที่รับผลนี้ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทำบุญหรือกระทำบาป<ม>ผู้ที่กระทำบุญหรือกระทำบาปคือใจโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเช<ม>่นสั่งให้ร่างกายไปลักขโมยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช<ม>่นไปทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงชีพ<ม>ผู้ที่สั่งการผู้ที่กระทำคือใจ ใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดังนั้นผู้ที่ทำคือใจและผู้ที่จะรับผลบาปผลบุญก็คือใจเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วดังนั้นเวลาที่เราจะดูกฎแห่งกรรมหรือดูผลของกฎแห่งกรรมนี้เราต้องดูที่ใจอย่าไปดูที่ร่างกายหรือ สิ่งที่ร่างกายสามารถหามาได้คือลาบยศเสรรสุขลาบยศเสรรสุขนี้มันมีกฎของมันเรียกว่ากฎของอนิจจังไม่เที่ยงลาบยศเสรรสุขรวมท้าไปถึงทั้งร่างกายนี้มันอยู่ภายใต้กฎของความไม่แน่นอนคือกฎที่ที่แสดงให้ว่ามี มีการมีการเจริญได้และมีการเสื่อมได้เรียกว่าเป็นกฎอนิจจงสิ่งต่างๆที่ปรากฏในโลกนี้ลาเช่นราบยศเธอเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าพชนิดต่างๆและร่างกายของสัตว์และของมนุษย์นี้เป็นอนิจจ์เป็นของไม่เที่ยงมีการเจริญมีการเสื่อมไปสลับกันไปสลับกันมา ดังนั้นอย่าไปดูความเจริญหรือความเสื่อมว่าเป็นผลของการทำบุญหรือทำบาปเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันเหมือนกับจับแพะชนแกะแพกะกับแกะนี่มันไม่เหมือนกันมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ผลบุญผลบาปนี้จะมามอบให้กับลาบยศเสริญสุขมอบให้กับความเจริญความเสื่อมของร่างกายนี้ไม่ได้ นางกายนี้จะทำบุญนุ่นทำบาปมันก็จะิญและเส่อมไปตามกฎของมันราบยศเสริญสุขมันก็เช่นเดียวกันมันก็มีเจริญมีการเสรื่อมของมันไปตามกฎของกฎอนิจจังกฎอนัตตากฎอนัตตาก็คือไม่มีใครไปสามารถไปสั่งให้มันเจริญอย่างเดียวได้หรือไปสั่งให้มันเส่อมได้ เวลามันจะเจริญมันก็เจริญแม้ขณะที่ทำบาปมันก็เจริญได้ mm hmm. คนเลยไม่เข้าใจคนเลยไปโทษว่าทำบุญแล้วไม่ได้ดี mm hmm. ทำเชื่อกับได้ดีมีถมไป mm hmm. เอาไปมองผลที่ลาบยศเสริญสุข mm hmm. ไปมองผลที่ร่างกาย mm hmm. ว่าเห็นไหมคนนี้ทาบาปทาผิดกฎหมาย แต่ร่างกายเขาก็สมบูรณ์แข็งแรง<ม>เงินทองเขาก็มีเงินทองไหลมาเทมายศตำแหน่งเขาก็สูงขึ้น<ม>แล้วเราไปทําบุญไปทําความดีทําไ ม, มทําความเชื่อไม่ดีกว่าแล้ว<ม>ทําความเชื่อแล้วได้ดิบได้ดี<ม>ทําทําคนดีแล้วไม่ได้ดิบได้ดีทําไปทําไมนั่นก็เป็นเพราะว่ามองคนละมองเหตุกับมองผลต่างกัน<ม>เหตุเป็นเรื่องของใจ แต่ไปมองผลที่เป็นเรื่องของโลกธรรมคือของราบยศฉลสนุกและของรูปเสียงกลิ่นรสของตาหูจมูกนิ้นกายเราต้องเข้าใจว่าเรื่องของบุญของบาปนี้เป็นเรื่องของใจแต่ส่วนเรื่องของโลกธรรมคือการเจริญหรือเสื่อมของราบยศฉเสริสุกของร่างกายนี้มันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังอนัตตา อันนี้จังก็คือมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีการเจริญบ้างมีการเสื่อมบ้างสลับกันไปสลับกันมาขึ้นขึ้นลงลงชีวิตของเราทางลาบยศสรรเสริญสุขทางร่างกายนี้มันก็สลับกันไปสลับกันมาร่างกายเราบางวันก็สุขสบายบางวันก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางวันก็ตายไป มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำเพียงอย่างเดียวบุญกับบาปอาจจะมีส่วนบ้างแตเ่เป็นส่วนหนึ่งใน ห, หลายหลา ย, หลายเหตุด้วยกันไม่ใช่เป็นเหตุอันเดียวเท่านั้นเองเหตุที่ทำให้มีการเจริญรสือทราะะอทางด้านลาบยศรัศดรสุขทางด้านร่างกายนี้มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันไม่ใช่มีแต่บุญหรือบาปเท่านั้นที่มีเหตุมีปัจจัยมันมีเรื่องการแปรปรวนของ ธรรมชาติเนี่ยของดินฟ้าอากาศก็ทำให้มีภาวะของเศรษฐกิจขึ้นนลงๆมีโรคภัยระบาดมีภัยสงครามมีเหตุการณ์อะไรต่างๆซึ่งมันมีผลกระทบต่อการสแสวงหาลาบยศสารนสนุขกันอย่างนั้นขอให้เราเข้าใจว่าเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเจริญหรือเสื่อมทางด้านลาบยศสารสุข อาจจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆในการที่จะทำให้เกิดการเจริญรือเสื่อมได้แต่มันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เจริญและเสืิมด้วยด<ม>ัง น, นั้นบางทีทาบุญแล้วไม่ร่ำรวยก็มีมทำบาปแล้วกลับร่ำรวยก็มีมมเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน<ม><ม>ถ้าเราอยากดูว่าทำบุญแล้วได้อะไรนี่ได้แน่ๆก็คือได้ความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ ทำบุญแล้วจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นลองสังเกตดูทุกครั้งที่เวลาที่เราได้ทาบุญนี้ใจของเราจะมีความสุขรู้สึกมีความปา่าปื้่มใจสุขใจอิ่มใจอันนี้เป็นบุญที่เกิดจากการทำทานแล้วทุกครั้งที่เราสามารถรักษาศีลได้เวลาใครมาล่อเอาเงินทองมาล่อให้เราทำบาปแต่เราไม่ยอมทำเนี่ยเราจะรักษาศีล เราเรารักษาศีลได้ใจเราจะมีความรู้สึกภูมิใจสุขใจขึ้นมาที่เราไม่ต้องไปทำบาปเพื่อเพื่อหวังผลตอบแทนจากเงินทองหรือผลตอบแทนอย่างอื่นเรายอมเรายอมเสียสิ่งที่ที่เขาเอามาล่อเราไม่ต้องการเราต้องการความบริสุทธิ์ของใจและต้องการใจที่สะอาดด้วยศีลเวลาที่เรารักษาศีลได้นี้ชนะ ความโลภความอยากต่างๆได้ใจจะรู้สึกเบาเย็นสบายมีความสุขถ้า ม, มีใครมาชวนให้ไปป้นไปจี้เราไม่ไป <S <S เรายอมอยู่แบบอดอดอด อ, ดอดยากๆดีกวับไปป้นไปจี้แล้วก็ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้เพื่อเอาประโยชน์จากเขามา <S <S เราไม่ไปทำหรือบางทีเขาจะให้เราโกหกแล้วเราจะได้ผลประโยชน์จากการโกหก เราก็ไม่ยอมทำอย่างนี mm. ้เวลาที่เราสามารถเอาชนะกิเลสที่จะมาคอยหลอกล่อให้เราไปทาบาปได้นี่ใจเราจะรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมา mm. อันนี้เรียกกระบุญหอนึ่งย่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีล mm. mm. แล้วก็มีบุญที่ทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นไป mm. ก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนา เการที่ทำใจให้สงบบุญมีสามระดับบุญที่เกิดจากการทำทานทำทานแล้วใจก็จะเย็นจะใจจะสบายใจจะอิ่ ม, มแล้วบุญที่เกิดจากการรักษาศีล อ, อันนี้ก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะไม่ต้องไปเกิดในายบาย ได้เงินได้ทองมาแต่ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายในคุ้มค่ากันได้เงินได้ทองมาแต่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคิดดูว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์กับการได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะไม่กล้าทำบาปนะถ้าเชื่อ ว, ว่าบาปนี้จะนำไปสู่การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าทำบาดด้วยอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ทำอาชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เรียกว่าการทำบาพเพื่อเลี้ยงชีพถ้าเราไม่ทำอาชีพนี้ได้ยอมอดอยากยอมไปหางานที่รายได้จะน้อยกว่าแต่ไม่ต้องไปทำบาเราก็จะมีความสุขใจอิ่มใจมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นใจว่า เมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่ไปเกิดเป็นเดชะชานอย่างแน่นอนเราจะต้องได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรืออาจจะได้ไปสูงกว่าการได้เป็นมนุษ ย, นย์ถ้าเราได้ทำบุญทำทานด้วยถ้าเราได้ทำบุญทำทานด้วยได้รักษาศีลด้วยใจของเราเวลาตายไปร่างกายตายไปใจของเราก็จะไปสวรรค์ก่อนเลยไปสวรรค์ก็เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวในโลกนี้แหละ เวลาที่เราไปท่องเที่ยวกันไม่ว่าจะในในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยก็เราก็ไปท่องเที่ยวสวรรค์บนโลกนี้แต่สวรรค์นอกโลกนี้ก็มีและเป็นที่มหาจารย์พิสดารกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีในโลกนี้คือสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวดีๆนี่เราจะไปเสพลูกทิพซ์เสียงทิพซ์กลิ่นทิพซ์ ที่ละเอียดที่พิสดารที่ให้ความสุขมากกว่าความสุขที่เราจะได้เสพจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นกับใจผู้ทาบุญผู้ที่รักษาศีลแล้วยังมีสวรรค์ที่สูงกว่าสวารรค์ชั้น ชั้นที่ได้จากการทำบุญทำทานรักษาศีลห้าก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นชั้นชัน้นภาวนาภาวนานี้ก็คือการปฏิบัติจิตนี่เอง<ม>การควบคุมจิตใจ<ม>ทำใจให้สงบ<ม>ด้วยการใช้การรักษาศีลแปดและการเจริญสติ<ม>ทำไมถึงต้องรักษาศีลแปดถึงจะสามารถที่จะเจริญ จะได้บุญที่เกิดจากการภาวนาได้เพราะเพราะว่าการภาวนานี้ต้องใช้เวลามากต้องมีเวลามาควบคุมใจมีเวลามาเจริญสติมีเวลามานั่งสมาธิซึ่งต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างน้อยวันหนึ่งถ้าทำนี้ก็ต้องทำทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถึงจะมีโอกาสที่จะ เข้าถึงสวรรค์ของชั้นภาวนาได้ก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องถือศีลแปดแทนที่จะถือศีลห้าต้องต้องเปลี่ยนมาถือศีลแปดถ้าอยากจะขึ้นสวรรค์ชั้นสูงกว่าสวรรค์ที่ได้จากการทําบุญทําทานรักษาศีลห้าอยากจะได้สวรรค์ที่สูงกว่าก็ต้องมารักษาศีลแปดแล้วก็มาเปลี่ยนวิธี ทำบุญจากการทำบุญทำทานมาเป็นการภาวนา<ม>การภาวนาก็คือการปฏิบัติจิตเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการทำจิตใจให้สงบด้วยการเจริญสตินี่เอง<ม>แต่การที่จะทำจิตใจให้สงบได้นี้มันต้องใช้เวลามากมไม่ใช่แค่ห้านาทีสิบนาทีนั่งแล้วจิตจะสงบรวมอันนั้นไม่ใช่ยกเว้นคนที่เคยมี เคยมีมาแล้วในอดีตชาติคนที่เคยเข้าความสงบได้แล้วในอดีตชาติอันนี้จะติดกับใจเขามาเวลาเข้ามาฝึกสมาธินั่งห้านาทีจิตเขาก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องไปรักษาศีลแปดก็ได้ไม่ต้องไปอยู่วัดก็ได้อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทําให้จิตรวมได้ อ, อันนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง ไปถือศีแลแปดราอใจเขาก็มีศีลแปดอยู่แล้วใจของเขาจะไม่หิวโหยกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิธธ่นรสโผฏฐัพพะใจเขาจะไม่ได้คิดที่อยากจะเสพกามชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสพกามจากการร่วมหลับนอนกันกับคนนั้นคนนี้ก็ตามหรือการหาความสุขเสพการรมจากการรับประทานหรือดื่มเครื่องดื่มต่างๆ ถ้าจะดืม่มหรืจะรับประทานอาหารก็ดื่มและรับประทานเหมือนกับรับประทานยากินเพื่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้นแต่จะไม่ได้กินหรือดื่มด้วยความอยากไม่ได้กินด้วยดื่มไม่ได้กินหรือดื่มเพื่อเพื่อที่จะให้เกิดความสุขจากการกินการดืม่มเพราะเห็นว่าความสุขที่ได้จากการกินการดื่มนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการทาจิตใจให้สงบไม่ได้นั่นเอง ถ้าเคยมีมาถ้าเคยติดตัวมาแล้วพวกนี้เขาก็จะมีศีลโดยอัตโนมัติเขาจะมีเนื้อขมะอยู่ในใจของเขาใจของเขาจะไม่ค่อยหิวโหวยกับการเสพกามจะไม่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่จะไม่ไปชอบดูหนังฟังเพลงไม่ชอบไปกินไปดื่มกินก็เพื่อกินเพื่อดับความหิวกินแบบกินยาไปวันวันหนึ่ง แล้วก็ไม่ชอบที่ไม่คิดที่จะไปร่วมหลับนอนกับใครอชอบไปนั่งนั่งอยู่เฉยๆคนเดียวถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาถือศีลแปะแล้วเพราะมีศีลแปดแล้ว ม, มีสติแล้วทำจิตใจให้สงบได้แล้วนั่งหลับตาเพียงห้านาทีจิตก็นิ่งสงบเข้าสมาธิได้แต่ถ้านั่งสมาธิแล้วอยาวแต่ห้ า, านาทีเลยห้าชั่วโมงยังไม่สงบเลยสแสดงว่าเรายัง ต้องต้องฝึกไปกมากต้องฝึกสติให้มากแล้วก็ต้องต้องหยุดการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆด้วยการมาถือศีลแปดกันเพราะเมื่อเมื่อถือศีลแปดแล้วก็จะได้มีเวลาว่างแทนที่จะเอาเวลาไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสแทนที่จะเอาเวลาไปร่วมหลับนอนกับคนนั่นคนนี้ไปกินนูน่นกินนี่ก็เอาเวลามาฝึกสติมาเดินจงกรมนั่งสมาธิ เจริญสติในทุกกิริยาบทไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งหรือเวลาเดินจงกรมให้เจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็เจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เรียกว่าพุทธานุสติคือมีสติอยู่กับพระพุทธเจ้านี่เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่ตั้งของสติอายุธพระพุทธเจ้าเป็นที่ ที่ยึดเน่ยวจิตใจไม่ให้จิตใจลอยไปลอยมากับความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้ามีพระพุทธเจ้ามีพุทโธพุทโธอยู่ในใจใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้จะไม่ไปอดีตจะไม่ไปอนาคตใจจะตั้งอยู่ในปัจจุบันใจจะสักแต่ว่ารู้ปราศจากความคิดต่างๆหรือถ้าคิดก็คิดน้อยหรือคิดก็ไม่ไปสนใจกับความคิด อยู่กับพุทโธพุทโธไปใจถึงแม้ยังอยากจะคิดอยู่แต่ใจจะไม่ไหลไม่ลอยไปกับความคิดไม่ตามความคิดไปจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุทโธก็ดีหรือถ้าใช้ร่างกายก็เรียกว่ากายกคตาสติใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็จะอยู่กับร่างกายคอยเฝ้าดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ร่างกายกำลังเดินกำลังยืนกาลังนั่งก็อยู่กับการ การยืนการเดินการนั่งการนอนเวลาร่างกายทำอะไรอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่กับร่างกายอยู่กับการอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันทุกวินาทีทุกขณะจิตไม่ให้จิตละเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยอันนี้นี่คือวิธีฝึกสติพยายามผูกใจไว้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้ผูกใจไว้ให้อยู่กับ ร่างกายก็ได้กายกัตาสติในขณะที่เราดำนอนชีวิตในในชีวิตประจำวันนะอันนี้ถ้าไม่ต้องทำงานทำการได้จะเป็นการที่ดีที่สุดเพราะถ้าต้องไปทำงานทำการนี้มันจาเป็นจะต้องใช้ความคิดนะแต่ถ้าเราเช่นเรามีวันหยุดเช่นวันนี้แล้วเราเอาวันหยุดนี้มาฝึกสติมานั่งสมาธิกันนี้ เราก็สามารถทำเจริญสติแบบไม่คิดได้เพราะเราไม่มีเรื่องราวที่จะต้องคิดไม่มีงานการที่จะต้องทำงานที่เราต้องทำก็งานเลี้ยงดูร่างกายเราเท่านั้นเองเช่นกินรับประทานอาหารอาบน้ำล้างหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ทำความสะอาดสถานที่พักของเรางานก็มีเท่านี้ซักเสื้อผ้าถ้ามีเสื้อผ้าต้องซักงานแบบนี้เราสามารถเจริญสติได้อย่าง อย่างเต็มที่คือถ้ากวาดบ้านไปก็มีสติอยู่อาการกวาดบ้านไปถ้าซักเสื้อผ้าก็มีสติอยู่การซักเสื้อผ้าไปไม่ส่งใจให้ไปลอยไปกับความคิดต่างๆถึงแม้จะมีความคิดอยู่ก็ไม่ไม่ไปคิดกับไม่ไปตามความคิดเหมือนให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ หรือถ้าอยากจะใช้พุทธโธพุทธโธดึงใจก็ได้ <Sergio> ถ้าใจยังอยากจะต่างความคิดคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดเป็นห่วงคนนั้นเป็นห่วงคนนี้นคิดเรื่องราวของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ามันไม่ยอมหยุดถ้ามันไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันก็ต้องใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธดึงเอาไว้เป้าหมายก็คือต้องให้ใจนี้ไม่ลอยไปลอยมาให้อยู่ในปัจจุบันให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน ให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆแล้วถ้ามีสติแบบนี้เวลามานั่งสมาธิ <Yeah. S 1> มันก็จะนิ่งจะสงบมันจะรวมเป็นสมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเ <Yeah. S 1> ช่นนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างต่อเ น, นื่องได้ห้านาทีนี้จิตก็จะรวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาเลยหรือเป็นคณิกะสมาธิขึ้นมาเลยก็ได้เพราะจิตไม่ลอยไปที่ไหนจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน อันนี้แหละคือความสาคัญของการจเจริญสติต่อการปฏิบัติสมาธิจะนั่งสมาธิให้จิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นคณนิกะสมาธิได้นี้จำเป็นจะต้องมีสติต่อเนื่องที่เรียกว่าสติสัมปะชัญญะสติที่ไม่เผลอไม่ลืมเช่นพุทโธได้หนาทีเลยไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียว ถ้าทำนี้ได้จิตก็จะรวมได้อยู่กับพุโทโธได้ห้านาทีมันก็อาจจะดิ่งลงมาเลยเหมือนกับตกลงจากที่สูงไปตกเขวตกหลุมตกบ่ออย่างี้แล้วมันก็จะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายแล้วร่างกายก็จะหายไปจากความรู้สึกหรือถ้าไม่หายก็ยังมีเสียงมีอะไรอยู่ก็ไม่สนใจไม่ลำคาญกับเสียงต่างๆที่มาสัมผัส จิตจะนิ่งเฉยสงบปราศจากอารมณ์ปราศจากความรักชังกลัวหลงเรียกว่ามีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เรียกว่านัตถิสันติาลังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่ได้จากความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขจากการที่ได้ลาบยศสรรเสริญได้ความ สุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะความสุขเหล่านั้นจะเป็นความสุขที่ได้กว่าความสุขที่ได้จากความสงบอันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นเป็นบุญชั้นสูงเ ป, เป็นบุญขั้นสูงบุญชั้นกลางก็บุญที่เกิดจากการมีรักษาศีลบุญชั้นต่ำก็เกิดจากการทําบุญทําทานเป็นความสุขที่มีมากน้อยต่างกัน ความสุขที่ได้จากการทําบุญทาทานนี้จะน้อยกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาสิ่ความสุขที่ได้จากการรักษาสิ่จะน้อยกว่าความสุขที่ได้จากการภาวนาที่เรียกว่าสมถะภาวนาโดยทำจิตใจให้สงบแต่ก็ยังมีความสุขที่สูงกว่าเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทำจิตใจให้สงบด้วยการเจริญสติอันนี้เรียกว่าการทาจิตใจให้สงบ ด้วยการเจริญปัญญาด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมอันนี้จะทําให้เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรความสุขที่ได้จากการเจริญสตินี้เป็นความสุขแบบชั่วคราวสงบอยู่ได้ระยะหนึ่งพอสติอ่อนกําลังลงจิตก็จะถอนออกจากความสงบมาแล้วก็จะเริ่มเริ่มมีความคิดตุงแตกอะไรต่างๆขึ้นมา ความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะได้ความสุขแบบนั้นนีกก็ต้องเจริญสติใหม่ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธใหม่ต้องนั่งสมาธิใหม่จิตถึงจะกลับเข้าไปสู่ความสงบได้อีกอันนี้เป็นลักษณะของความสงบที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิเป็นความสุขที่เหนือก ว, กว่าความสุขทั้งพวง แต่เพียงแต่ว่ามันเความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขแบบชั่วคราวถ้าอยากจะให้ความสุขแบบชั่วคราวนี้กลายเป็นความสุขแบบถาวรเราก็ต้องปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าวิปัสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญาการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นความจริงว่าอะไรเห็นความจริงว่าความสงบของใจนี้ หายไปเพราะเพราะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเพราะกิเลสตัณหาถ้าอยากจะให้ความสุขใจกลับมาก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ใน ใ, นใจให้หมดสิ้นไปให้ได้ mm hmm. คือเห็นอริยาสัจนั่นเอง mm hmm. เห็นว่าใจทุกข์ใจไม่สงบก็เพราะว่ามีตัณหาความอยากมีกา ม, ต า, ม า, าตัณหามีภาวะตัณหามีวิภาะวะตัณหา การมาทันหาก็ ค, กา<ร> <absorption> คือความอยากเสพกลางเสพรูปเสียงกดลิ่นรสความอยากได้ลาบยศ ส, รสกการสรนุสเรียกว่ากามาทันหาภาวะทันหาคือความอยากได้ความจเจริญในลาบยศสารสนุขมีภาะวะทันหาก็คือความอยา ก, ก, ก, <น>ก<น>ให้ในลาบยศสารสนุขไม่เสื่อมนี่อันนี้มันจะมีอยู่ในใจถึงแม้ว่าจ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธิได้ มันไม่สามารถกำจัดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยกำลังของสติด้วยกำลังของสมาธิถ้าอยากจะให้ความอยากที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจนี้สูญหายไปหมดไปจําเป็นที่จะต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือองค์มครคนึงมกที่จะมาสอนใจให้เห็นว่าความไม่สงบของใจนี้เกิดจากความอยากถ้าอยากจะให้ใจสงบ ก็ต้องไม่ทำตามความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาให้ใช้สติให้ใช้สมาธิเป็นผู้ต่อสู้สู้กับความอยากอย่าไปทำตามความอยากแล้วก็ให้เห็นด้วยว่าสิ่งที่อยากได้นี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง mm hmm. เช่นลาบยศชเสนละความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไป เวลามันหมดไปมันก็จะทำให้ใจเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาให้มองเห็นเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สงบนะสิ่งที่อยากได้ก็จะทาให้ใจเสียใจเศร้าใจเวลาที่ได้มาแล้วต้องสูญเสียไปนะพอใจเห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นความสุขแบบอันนี้จังเป็นความสุขแบบชั่วคราวแล้วก็เป็นอนัตตาไม่สามารถควบคุมบังคับ ให้มันเป็นอยู่กับเราใ ห, ให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเราเห็นอย่างนี้มันก็จะไม่อยากจะทำตามความอยากมันก็จะฝืนความอยากเวลาเกิดความอยากฝืนได้ก็อยู่ที่กำลังของสมาธิถ้ามีสมาธิมีโอเบขาก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ทำตามความอยากได้พอความอยากไม่ได้รับการตอบสนองความอยากมันก็จะหมดกำลังลงไป แล้วมันก็จะละลายหายไปสลายหายไปจากใจพอความอยากสลายหายไปความไม่สงบของใจก็กลับก็หายไปสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือความสงบของใจความสงบที่ถาวรละทีนี้เพราะว่าตัวที่มาคอยทาให้ใจไม่สงบก็คือความอยากนี้มันถูกกำจัดด้วยอำนาจของปัญญาและด้วยพลังของสมาธินะครับ ความอยากมันก็จะไม่มีวันกับคืนมาอีกต่อไป mm. เมื่อไม่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะสงบไปตลอดเวลาได้นัตถิสันติปลังสุขขังแบบถาวรนัต mm. ถิสันติพลังสุขขังที่ถาวร น, นี้ก็คือนิ บ, บาลังบามังสุขขังนี่ mm. ความสุขที่เกิดจากความสงบที่ถาวร mm. ก็คือบรมมสุ ข, ขของพระนิพพาน เพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดจะอยู่คู่กับใจไปตลอดและความสุขอันนี้แหละที่จะทำให้ใจไม่ต้องไปมีไปเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่จะทำให้ใจไปเกิดก็ไม่มีอยู่ในใจเสียแล้วคือความอยากทั้งสามประการคือกามตัะหาภาวะตันหาวิภาวะตันหากามตัะหาก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะ ภาวะตัณหาก็คือการอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขมามีภาวะตัณหาก็คือความความอยากให้ลาบยศสรรเสริญไม่เสื่อมไปจากอากตนให้มีอยู่กับตนไปตลอดเมื่อไม่มีความอยากเหล่านี้แล้วก็ไม่มีเหตุที่จะดึงใจให้ไปเกิดอีกต่อไปไม่ให้มีใจไปเกาะติดกับร่างกายอันใหม่เพื่อใช้ร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอีกต่อไป แล้วเมื่อไม่มีร่างกายเมื่อไม่มีการเกิดทุกข์ก็จะไม่มีตามมาทุกข์ที่เกิดจากความแก่ทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ที่เกิดจากความตายก็จะไม่มีต่อไปเพราะว่าเมื่อไม่มีเกิดแล้วมันจะมีแก่ได้อย่างไรมันจะมีเจ็บได้อย่างไรมีจะมีตายได้อย่างไรเพระพระพุทธเจ้าถึงทรงตรัสว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าอยากถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุ่งนี้จำเป็นจะต้องไม่กลับมาเกิดจะต้องทำจิตให้เป็นนิพพานขึ้นมาให้ได้ทำจิตให้มีบำลมมัสุขทำจิตให้มีนัตติสันติพลังสุขขังแบบถาวรนด้วยการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาแลนะการที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ก็ต้องมีสมถะภาวนาเป็นเครื่องมือสนับสนุนก่อนแลนะการที่จะมีสมถะภาวนา ปรากฏขึ้นได้ก็ต้องมีศีลแปดเป็นเครื่องมือสนับส น, นุนมีการเจริญสติด้วยการไปปลีกวิเวกตามสถานที่สงบต่างๆต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวอยู่ห่างกายจากแสงสีเสียงห่างกายจากรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆที่จะคอยยั่วยวนกวนใจให้ไปเสพรูปเสียงกดลิ่นรสนั่นเองต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาพระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวงนี้ส่วนใหญ่ ต่ดจะรู้หรือบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในป่าในเขากันไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในบ้านในเมืองเพราะบ้านเมืองนี้มันไม่ได้เป็นที่เหมาะต่อการสร้างมรรคผลนิพพานสถานที่ที่เหมาะต่อการสร้างมรรคผลนิพพานยศสถานที่สงบสงัดวีเวกตามป่าตามเขานั่นเองถ้าศึกษาประวัติดูแล้ว พ, า พ, าพาาระอรหันต์ทั้ง ส, ส, ส่วนใหญ่จะบรรลุธรรมในป่าในเขากัน พระที่บรรลุนี้มักจะเป็นพระป่าพระเขากันพระวัดป่าพระวัดเขากันพระวัดบ้านนี้จะไม่มีปรากฏว่าได้บรรลุบ้างผลนิพพานกันเลยเพราะมันไม่มีมันไม่ได้เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการบําเพ็ญ น, นั่นเองการที่จะการที่จะสามารถรักษาศินแปดได้ก็ต้องมีการรักษาศินห้าในเบื้องต้นก่อนต้องหันรักษาสินห้าให้ได้ก่อน การที่รักษาศีลห้าได้ก็ต้องมีใจที่เสียสละเมตตาแบ่งปันมีใจที่ยินดีที่ทำบุญทาทานสงเคราะห์ให้ประโยชน์แก่ผู้ไม่ยึดไม่ติด ก, กับข้าวของเงินทองต่างๆอันนี้ต้องทาบุญทาทานก่อนต้องทาบุญทาทานแล้วก็รักษาศีลห้าแล้วต่อไปก็สามารถที่จะไปรักษาศีลแปดในวันพระได้อดีตธรรมในวัดได้ เจริญสตินั่งสมาธิให้เกิดสมถะภาวนาให้เกิดให้เกิดความสงบที่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบได้ <S <S 1> <S 1> พอได้สมถะภาวนาแล้วก็สามารถที่จะไปฝึกวิปัสสนาภาวนาพยายามมองว่าความอยากนั้นเป็นตัวที่มาทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจฟุ้งซ่าถ้าอยากจะทาให้ใจสงบก็ต้องใช้ปัญญา และใช้สติปัญญาก็จะสอนว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจวุ่นวายถ้าไม่ถ้าอยากให้ใจสงบต้องหยุดความอยากในการจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากเป็นอ น, นิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกข์นั่นเองถ้าได้สิ่งนั้นมาแล้วไม่ช้าก็เร็วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเรียกว่าเ ห, เห็นปัญญาพอเห็นด้วยปัญญาก็จะละตัหาความอยาก ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ใจก็จะสงบอย่างถาวรเป็นบามังเป็นปามังสุ ข, ขังนิบานังปามังสุขขังนี่คือกิจที่พระุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามาบำเพ็ญกันมาเจริญกันเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือภารกิจของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมาบไว้ให้ กับชาวพุทธทุกๆคนผู้ปรารถนาการสิ้นสุดของความทุกข์ผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องมีวันปฏิบัติอย่างวันนี้คือวันพะระแล้ก็ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่คือตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าสามารถทําได้แล้วรับประกันได้ว่าผลจะต้องปรากฏขึ้นมาตามลําดับ เมื่อมีผลปรากฏขึ้นมาก็จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติมากขึ้นอยากปฏิบัติวันหนึ่งก็เพิ่มเป็นสองวันสองวันก็เป็นสามวันต่อไปก็อยากจะปฏิบัติทุกวันก็จะไปบวชกันพอบวชกันได้ปฏิบัติทุกวันมักผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของวันกําไรบุญที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรอยากทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวามีวอิตตทินังเปตานาังอุ ป, ปกตปเอยจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุซาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาวะโสยถามมิโชดีอาวะโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตาายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุธาปะจายโน ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามคำถามใดก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกพหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถาม ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ก, การนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะน้ากุฏิทั้งทางเฟซบุ๊ก602ท่านทางยูทูปพระอาจารย์348ท่าน ดอกเตอร์วีชาแนล68ท่านวิดีโอออนไลน์7ท่านครับเพาส์ท่านนาคุติ136ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,168 ท่านเจ้าค่ะมีคำถามฝากถามจากผู้รับฟังธรรมา น, นาคุติเจ้าค่ะ ขอโอกาสสอบถามพระอาจารย์เราทำบุญหรือบริจาคเงินไปแล้วซึ่งตอนทำก็มีความสุขอิ่มใจด้วยความตั้งใจดีของเราภายหลังได้เห็นหรือรับรู้ข้อมูลที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่น่าทำบุญหรือบริจาคหรือถ้าจะทำก็น่าจะทำน้อยกว่าที่ทำไปแล้วสอบถามพระอาจารย์ที่บ้าน ของเราหรือห้องเช่าที่เราอาศัยอยู่มีผีบ้านผีเรือนเทพเทวดาอาศัยอยู่หรือไม่คะไม่มีหรอกพวกผีก็อยู่ในโลกทิพก็ไม่ได้อยู่ในโลกของเราหรอกอีกคำถามหนึ่งจ้าที่บ้านเคยได้ยินมาว่าการนั่งสมาธิการทำกรรมฐานผลบุญที่ได้ จากการปฏิบัินี้จะถึงกับพ่อแม่ปุย่าตาใยญ่าพี่น้องเจ็ดชั่วครอจริงหรือไม่เจ้าค่ะไม่จริงหรอกเป็นของใครของมันการปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติกันเองปฏิบัติให้กันไม่ได้เหมือนกินข้าวต้องกินต้องกินเองคนอื่นกินแทนเราไม่ได้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าคะ่ะ บุญต่างๆนี่มีบุญชนิดเดียวที่เราพอจะแบ่งให้คนร่วงรับไปได้ก็คือบุญที่เกิดจากการทำทาน <Yeah. S 1> เวลาทำบุญแล้วนี่เราแบ่งส่วนหนึ่งไปได้แต่ไม่ได้แบ่งให้หมดเลย mm hmm. แล้วก็เป็นส่วนน้อยมาก mm hmm. เพราะว่าเป็นเพียงเที่ยวเดียวท่านเอง mm hmm. ถ้าอยากจะได้บุญมากๆเราทำเองดีกว่า mm hmm. อย่าไปรอให้คนอื่นเขาส่งไปให้เราเวลาที่เราตายไป เราพ่อบุญนี้เราเอาติดตัวไปได้เราทาตอนนี้เราได้ร้อยเปซเลยแต่ถ้าเราไปรอให้เขาส่งมาให้เราเราอาจจะได้แค่เปอร์เซ็น์เดียวร้อยสซนนั่นเองงนั้นให้รีบทำบุญเสียในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องคิดเสมอว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่แล้วก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าวันตายของเราจะจ ะ, จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกเวลาอย่าประมาท พระพเจ้าสอนท่านนวนให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายแล้วมันตายได้ทุกเวลานาทีหยุดหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นดังนั้นอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงร้อยปีพันปีกันมันไม่แน่นอนดังนั้นรีบทำบุญเสียตั้งแต่บัด น, นี้ เพื่อลที่เราจะไปปรับเราก็จะได้มีบุญติดตัวไปด้วยมีบุญก็เหมือนมีเงินติดตัวไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนั่นเองถ้าไม่มีเงินติดตัวไปก็ต้องไปอยู่เป็นแบบขอทานมีคำถามจากทางช่องด r V. c h a n ร e วีชาแนลจาจากคุณเล็กๆกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะแม่หนูเส้นเลือดสมองแตก และติดเตียงจะพูดกับแม่อย่างไรไม่ให้แม่ทุกข์ใจให้แม่สบายใจคะกราบขอพระคุณเจ้าคะ่ะอันนี้ก็อยู่ที่แม่ว่าเขาอยากจะฟังเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากจะฟังเราเราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรปล่อยให้แม่เขาอยู่ตามตามความสบายใจของเขาดีกว่าไม่ต้องไปสอนไปบอกหรอกนอกจากถามถ้าแม่เขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้ไม่สบายใจเลยให้ทำยังไง อันนี้ถ้าเราไม่รู้เองเราก็ไปตอบไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของแม่นะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเมื่อถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือพออาาระอรหันต์นั่นนะั้นที่อาจจะมาสอนได้บอกได้แต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาเรายังสอนตัวเราเองไม่ได้อย่าไปหวังสอนคนอื่นเลยมันไม่เกิดประโยชน์หรอก มีคำถามจากคุณไรภพจ้าขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการที่เราห้อยเหรียรูปเหมือนหรือพระเครื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นการปิดกั้นการปฏิบัติมรรคผลหรือเปล่าครับเพราะเรามีความเชื่อว่าในเหรียญ น, นั้นท่านได้บรรจุพลังจิตเมตตาทำไว้เพื่ อ, อคุ้มครองเราความยิงรูปภาพของครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียง พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติท่านนี้มีไว้เพื่อเตือนสติให้เราทําความดีกันแต่ถ้าเรามีแล้วเราไม่ได้ไปทําความดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีไว้เพื่อให้สอนใจเราเตือนใจแล้วว่าเราควรจะรีบทําบุญตามคําสั่งคําสอนของครูบาอาจารย์กันอย่าประมาทเวลาไม่มีคอยเวลาไม่คอยใครอันนี้มีเวลารีบว่าเวลามาทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่มีคำถามก็เอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะเจ้าค่ะขอให้ท่านจงนเอาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจณ า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ